เราเกิดมาก็มีแต่เรื่องเกิดเกิดเจ็บตายเกิดมานี่ก็มาสร้างบรารมีไอ้เก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมาทําลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปจุันก็อยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเที่ยวโชคเที่ยขโมยเที่ยวปล้นเทวจี้ข้า ปันดันแทงสิ่งกันเลยกันเกิดมาก็ไม่อิจฉาตาร้อนสิ่งกันเลยกันบางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีเราปลุกหลานเลยเกิดมาก็ไมส่สร้างบารมีกันเธอมาสร้างคุณงามความดีให้กประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะอย่าไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมให้กันสิ่งกันเลยกันเลย